ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะคุณฟังค่ะมาแล้วค่ะ Animal f ฟ r ร์มกับห้องสมุดหลังใหม่มาเปิดทำการเช่นเคยนะคะเป็นยังไงบ้างครัคุณฟังวันนี้ถึงตอนที่4แล้วเริ่มสนุกแล้วนะแล้วฟังไปก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันก็คุ้นๆเนาะกับสิ่งที่เกิดขึ้นในฟาร์มที่ชื่อว่า Animal f ฟ r รม วันนี้เป็นตอนที่สี่ค่ะของอนววนนิยายขนาดสั้นงานเขียนของจอร์จออเวลนะคะซึ่งความเดิมตอนที่แล้วก็คือพวกหมูอ้างว่าพวกมันต้องกินนมบัวแล้วก็แอปเปิลมากเป็นพิเศษเพื่อบำรุงสมองเอาไว้ดูแลฟาร์มป้องกันไม่ให้ในายโจนสเนี่ยกลับมาอีก คือตอนแรกสัตว์ก็สงสัยว่าแอปเปิลกับนมัวนมันหายไปไหนหมดหมูเอาไปเก็บค่ะแล้วก็บอกเนี่ยพวกเราจำเป็นต้องกินเพื่อดูแลสมองนะไม่ได้กินเพื่อเพื่อตัวเองหรือเพื่อชอบอะไรเลยมีเหตุผลแล้วก็มีการปลูกกระดมสัตว์ในฟาร์มให้เห็นด้วยนมนว้วต่อมานะคะนายโจนส์และพวกเข้ามายึดฟาร์มคืนแต่ก็ไม่สาเร็จค่ะเพราะว่าสัตว์มีการเตรียมการอย่างดีอย่างแข็งขัน แล้วก็สามารถต่อสู้ผลักดันคนออกไปได้สำเร็จสามารถรักษาพื้นที่เอาไว้ได้แต่ก็มีแกะตายไปหนึ่งตัวต่อมาค่ะมอลลี่หายตัวไปหายตัวไปอยู่กับเจ้าของใหม่ที่มีน้ำตาลให้มันกินแล้วก็มีริบบิ้นสวยๆให้มันด้วยคือมอลลี่ชอบกินน้ำตาลแล้วก็ชอบชอบให้มีคนมาติดริบบิ้นเอาอกเอาใจแล้วก็มีการเห็นต่างระหว่างสโนบอกับนโปเลียนเรื่องการสร้างโรงสีลม มีการปราัยของทั้งสองฝ่ายนะคะว่านโยบายความคิดของใครจะดีกว่ากันแต่ทีนี้หลังจากที่มีการอภิปรายแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีสุนัข9ตัวพุ่งเข้าใส่สโนบอลค่ะทำให้สโนบอลต้องวิ่งหนีวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตเลยและในที่สุดก็พุ่งตัวออกไปจนมุดรูที่รั้วพุ่มไม้ออกไปได้อย่างบุดบิดแล้วก็หายลับไปเอาละสิ ไอเจ้าหมา9ก้าตัวนี้มาจากไหนนะคะแล้วทำไมมันถึงมาไล่สโนบอลเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามต่อได้เลยนะคะ Animal Farm ค่ะงานของจอร์จออร์เวลจากสำนวนแปลของคุณบรรชาสุวรรณนนท์สำนักพิมพ์ไต้ฝุน่นในชื่อว่า Animal Farm สงครามกบฏของสัพพสัตนะคะถ้าพร้อมแล้วเราเข้าสู่ Animal Farm ได้เลยค่ะ ดาพวกสัตว์ก็เงียบกริบแล้วก็หวาดผวาตกใจนึกไม่ถึงกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ละตัวค่อยๆ ย, ย่องกลับเข้าโรงนาแปบ๊บเดียวพวกหมาก็วิ่งกลับมาตอนแรกไม่มีใครนึกออกนะคะว่าหมาพวกนี้มาจากไหนแต่ในไม่ช้าก็ได้รู้ความจริงว่าพวกมันคือลูกสุนัขที่นับปเลียนพรากไปจากอกแม่แล้วก็ เอาไปเลี้ยงไว้เองแม้ว่าจะโตไม่เต็มวัยแต่ว่าสุนัขเหล่านี้ท่าทางดุร้ายเหมือนกับเหมือนกับสุนัขป่าเลยเหมือนหมาป่าและมันก็ตามนโปเลียนแจเลยทีเดียวมันกระดิกหางให้นโปเลียนเหมือนที่สุนัขตัวอื่นๆเคยกระดิกหางให้ในายโจนส์นโปเลียนมีสุนัขตามติดขึ้นไปบนแท่นที่ผู้พัน ซึ่งเป็นหมูอาวุโส ซ, ซึ่งตายไปแล้วเนี่ยเคยยืนกล่าวสุนทรพจน์นาโปลเลียนประกาศบอกว่าจากนี้ไปการประชุมวันอาทิตย์เป็นอันว่ายกเลิกเพราะว่าไม่จำเป็นเสียเวลาเปล่าในอนาคตการดำเนินงานของไร่จะให้คณะกรรมมาที่การพิเศษที่ประกอบด้วยพวกหมูเป็นผู้ตัดสิน โดยที่มันจะเป็นประธานเองคณะกรรมาการจะประชุมเป็นการภายในแล้วจึงจะนำผลการตัดสินใจมาแจ้งให้สัตว์ทั้งหลายได้รับรู้สัตว์จะต้องเข้ามาชุมนุมกันในเช้าวันอาทิตย์เพื่อเคารพธงและก็ร้องเพลงสัตว์แห่งอังกฤษพร้อมรับคำสั่งงานในรอบสัปดาห์แต่จะไม่มีการโต้แย้งใดๆอีก ึงแม้ว่าจะตกอกตกใจกับเหตุการณ์ที่สโนโบอลโดนขับไล่นะเออโดนหมาขับไล่พวกสัตว์ก็ยังรู้สึกกังวลเมื่อได้ยินคำประกาศนี้สัตว์หลายตัวคงจะคัดค้านหากนึกหาคำแย้งที่เหมาะสมได้แม้แต่บ็อกเซอร์ก็ยังรู้สึกว่าวุ่นใจชอบกอน บ็อกเซอร์พยายามที่จะรวบรวมความคิดแต่ก็พูดไม่ออกหมูบางตัวซะอีกที่พูดได้ฉาดฉานกว่าหมูวัยรุ่นสี่ตัวแสดงความไม่เห็นด้วยพากันลุกขึ้นแล้วก็พูดออกมาพร้อมกันแต่ทันใดนั้นเองสุนัขที่นั่งห้อมล้อมนะโปเลียนอยู่ก็ส่งเสียงคำรามแล้วก็ขู่ไอ้เจ้าหมูสี่ตัวก็เลยต้องเงียบแล้วก็นั่งลงจากนั้นพวกแกะก็ร้องว่า สีขาดีสองขาเลวร้องนานกว่า15นาทีทำให้ไม่มีใครมีโอกาสได้ถกเถียงหารือในเรื่องนี้กันต่อหลังจากนั้น s q ิว l เลอร์ก็ถูกส่งออกไปอธิบายการจัดการแบบใหม่ให้สัตว์ตัวอื่นๆได้เข้าใจโดยสกิว l เลอร์ก็บอกว่าสหายฉันเชื่อว่าสัตว์ทุกตัวที่นี่ ต่างชื่นชมความเสียสละของสหายนโปเลียนที่อุตส่ารับภาระงานหนักเพิ่มแต่อย่าคิดนะว่าการเป็นผู้นำนั้นสุขสบายตรงข้ามทีเดียวการเป็นผู้นำต้องรับผิดชอบอย่างหนักหนาสาหัสไม่มีใครเชื่อมั่นมากไปกว่าสหายนโปเลียนอีกแล้วว่าสัตว์ทุกตัวเสมอภาคกันสหายนโปเลียนยิ่งจะยินดีไปซะอีกถ้าสามารถให้สหายทั้งหลายตัดสินใจด้วยตนเองแต่บางครั้ง พวกเจ้าก็อาจจะตัดสินใจผิดพลาดได้นะแล้วเราจะเป็นอย่างไรกันเล่าสมมติว่าพวกเจ้าตัดสินใจทำตามสโนโบอลที่มีความคิดเพอ้อฝันเรื่องโรงสีลมเจ้าสโนโบอลที่พวกเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าไม่ไ ด, ด้ีไปกว่าอาชญากรรมเท่านั้นไม่ใช่หรอสัตว์ตัวหนึ่งก็บอกว่าแต่ว่าสโนโบอลก็ต่อสู้ในศึกคอกวัวอย่างกล้าหาญนะ โอ้ยความกระหายไม่พอรอกความซื่อสัตย์จงรักพักดีต่างหากที่สำคัญกว่าส่วนเรื่องสึกข้อวัวนั้นฉันเชื่อว่าสักวันหนึ่งเราจะได้รู้ว่าบทบาทของสโนว์บอลเป็นเรื่องที่ยกยอกันมากเกินจริงไปแล้วจงมีวินัยสหายวินัยเข้มงวดนี่คือคำสำคัญในวันนี้หากเราพลาดไปเพียงเก้าเดียวศัตรูก็จะเล่นงานเราทันที สหายคงไม่ต้องการให้ในายโจนส์กลับมาไม่ใช่เหรอเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สัตว์ไม่อาจจะตอบโต้ข้อตัวแย้งนี้แน่นอนนะคะพวกมันไม่ต้องการให้ในายโจนส์กลับมาจากการประชุมหารือกันตอนเช้าวันอาทิตย์อาจจะทำให้ในายโจนส์หวนกลับมาได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเลิกประชุมหลับคือต้องยอมทุกอย่างที่จะไม่ให้ในายโจนส์เนี่ยกลับมา บ็อกเซอร์คิดใคร่ครวนแล้วก็พูดแทนความรู้สึกของสัตว์ทุกตัวว่าทานนโปเลียนว่าแบบนั้นก็คงจะถูกแล้วจากนั้นมันก็ยึดคติว่านโปเลียนพูดถูกเสมอนอกเหนือจากคติส่วนตัวที่มันยึดถือคล้ายๆกับเป็นหลักในการดำเนินชีวิตก็คือฉันจะทำงานให้หนักขึ้นตอนนี้เพิ่มแล้วนะคะว่า นโปเลียนผู้ถูกเสมอมาถึงตอนนี้อากาศเปลี่ยนไปอย่างฉับพลันและการถายนาในฤดูใบไม้ผลิก็ได้เริ่มต้นขึ้นโรงฟักไข่ที่สโนบอลใช้เป็นที่วาดแบบแปลนสร้างโรงสีลมปิดตาย เข้าใจกันว่าแผนผังคงจะโดนลบทิ้งจากพื้นจนหมดทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา10โมงพวกสัตว์ก็จะมาชุมนุมกันในโรงนาใหญ่เพื่อรับคำสั่งงานในรอบสัปดาห์มีการขุดกระโหลกของผู้พันขึ้นมาจากสวนแล้วก็เอามาเสียบปลายไม้ปักเอาไว้ข้างตีนเสาธงข้างปืนหลังจากชักธง พวกสัตว์จะต้องเดินเรียงแถวผ่านกระโหลกนี้ด้วยความเคารพบ น, บนอบน้อมก่อนจะเข้าไปในโรงนาเดี๋ยวนี้พวกสัตว์ไม่ได้นั่งคระกันเหมือนแต่ก่อนนะคะนโปเลียนสค u ิลเลอร์และหมูอีกตัวหนึ่งชื่อมินิมัสซึ่งเป็นหมูที่มีพรสวรรค์นในการแต่งเพลงและโครงกร น, นั่งอยู่ที่ด้านหน้าของแท่นแล้วก็มีสุนัขรุ่นจำนวน9ตัวเป็นสุนัขวัยรุ่นน่นะคะ นั่งล้อมเป็นครึ่งวงกลมอันนี้อันนี้9้าตัวนะชุดนี้แล้วก็มีหมูตัวอื่นๆ น, นั่งถัดไปข้างหลังสัตว์ที่เหลือทั้งหมดเลยเนี่ยก็จะนั่งประจันหน้านาโปเลียนก็จะอ่านคําสั่งงานในรอบสัปดาห์ด้วยเสียงที่ห้วนห้าวแบบทหารหลังจากร้องเพลงสัตว์แห่งอังกฤษเที่ยวนึงบรรดาสัตว์ทั้งหลายก็แยกย้ายกันออกไป ในวันอาทิตย์ที่สหลังจากการขับไล่สโนบอลพวกสัตว์ต่างก็แปลกใจที่ได้ยินนโปเลียนแถลงว่าอย่างไรเสียก็จะต้องสร้างโรงสีลมนโปเลียนไม่ได้บอกว่าทําไมถึงเปลี่ยนใจเพียงแต่เตือนสัตว์ว่าภาระที่เพิ่มขึ้นหมายถึงงานหนักคือหมายถึงว่าทุกตัวเนี่ยจะต้องทํางานกันหนักมากขึ้นและจําเป็นที่จะต้อง ปันส่วนอาหารน้อยลงด้วยแต่อย่างไรก็ดีนะปเลียนก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามีการเตรียมแผนงานไว้หมดแล้วทุกรายละเอียดคณะกรรมการพิเศษที่ประกอบด้วยบรรดาหมูทั้งหลายเนี่ยได้ช่วยกันวางแผนตลอด3สัปดาห์ที่ผ่านมาการสร้างโรงสีลมรวมไปถึงการปรับปรุงหลายสิ่งหลายอย่างจะใช้เวลาประมาณ2ปีและคาวันนั้นสกิลเลอร์นะคะ ก็แอบมาอธิบายให้พวกสัตว์ฟังบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนโปเลียนไม่ได้คัดค้านการสร้างโรงสีลมเลยตรงกันข้ามนโปเลียนนั่นเองเป็นคนที่สนับสนุนให้สร้างตั้งแต่ต้นและไอแบบแปลนที่สโนบอลวาดเอาไว้จริงๆก็ขโมยมาจากเอกสารของนโปเลียนนั่นแหละเพราะฉะนั้นโรงสีลมเนี่ยเป็นผลงานการสร้างสารรค์ของนโปเลียนสัตว์ตัวหนึ่งก็ถามว่าอา้าแล้วทาไมถึงได้คัดค้านเป็นนักเป็นหนาล่ะ สก c u l a r ก็ออกท่าทางเจ้าเล่บอกว่านั่นนะ่ะเป็นเลขกลของสหายนับปเรียนนับปเรียนต้องแกล้งทําแบบนั้นเพื่อเป็นยุทธวิธีในการกำจัดสโนบอลเพราะว่าสโนบอลเนี่ยมันตัวอันตรายแล้วก็มีอิทธิพลไม่ดีต่อสัตว์อื่นๆตอนนี้สโนบอลออกไปพ้นทางแล้วแผนการสร้างจึงดำเนินต่อไปได้โดยไม่มีสโนบอลมาแทรกแซงนี่แหละ ที่เขาเรียกกันว่ากลยุทธ์สคว i l เลอร์ก็กล่าวซ้ำๆหลายครั้งบอกว่ากลยุทธ์นี่เขาเรียกว่ากลยุทธ์พวกสัตว์งงค่ะไม่แน่ใจว่าคำนี้หมายความว่าอย่างไรแต่สคว i ลเลอร์นี่เป็นคนที่พูดจาจูงใจได้ดีสุนัขสามตัวบังเอิญนั่งอยู่ใกล้ๆก็คำรามคู่พวกสัตว์จึงยอมรับคำอธิบายของสควิลเลอร์โดยไม่ ซ, กซักไซสอะไรต่อ คือตอนนี้เหมือนกับว่าถ้าไม่เห็นด้วยอะไรเนี่ยก็จะถูกหมาขู่ก็เลยจำเป็นต้องเงียบจากนั้นตลอดทั้งปีพวกสัตว์ต้องทำงานหนักเยี่ยงทาตแต่พวกมันก็มีความสุขไม่บ่นที่ต้องเหน็ดเหนื่อยและก็เสียสละเพราะว่าพวกมันรู้สึกว่าทุกสิ่งที่ทำไป เพื่อประโยชน์ของตัวเองแล้วก็สัตว์รุ่นหลังที่จะเกิดตามมาคือมีความสุขที่ได้ทำเพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อพวกมนุษย์ที่เกียจคล้านแล้วก็ขี้โกงคือทำงานเหมือนกันแต่ว่าพอรู้สึกว่าทำเพื่อตัวเองเนี่ยมันมีความสุขมากกว่าทำเพื่อคนอื่นตลอดฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนสัตว์ทางานสัปดาห์ละหกชั่วโมง พอถึงเดือนสิงหานะ้าปเลียนก็ประกาศบอกว่าต้องทำงานบ่ายวันอาทิตย์ด้วยนะแต่งานเนี้ว่าตามความสมัครใจถ้าใครไม่ทำก็จะลดอาหารที่ปันส่วนให้ลงครึ่งหนึ่งแต่ถึงกระนั้นก็ยังจำเป็นต้องทิ้งงานบางอย่างค้างเอาไว้การเก็บเกี่ยวปรากฏว่าได้ผลน้อยกว่าปีกลายไร่สองผืนที่ควรจะลงพืชหัวเอาไว้เมื่อตอนต้นฤดูร้อนก็ไม่ได้ลง เพราะว่ายังถ่ายผืนไต้นาไม่เสร็จทันเวลาเพราะฉะนั้นฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงนี้น่าจะเป็นฤดูหนาวที่ลำบากไม่น้อยล่ละในส่วนของโรงสีลมก็เกิดปัญหาคือในฟาร์มนี้มีเหมืองหินปูนแล้วก็พบว่ามีทรายมากมายแล้วก็มีซีเมนต์ในโรงเก็บของหลังหนึ่งคือจริงๆแล้วก็ถือว่ามีวัสดุก่อสร้างครบ แต่ปัญหาที่สัตว์แก้ไม่ตกในตอนแรกก็คือทาอย่างไรที่จะย่อยหินออกเป็นก้อนพอเหมาะซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่มีทางอื่นนอกจากจะใช้เสียมฟันแล้วก็ใช้ชแฉลงแต่ว่ามันไม่มีสัตว์ตัวไหนสามารถใช้ได้เพราะว่าไม่มีตัวใดสามารถยืนด้วยขาหลังจนเมื่อพยายามอย่างไร้ผลมาหลายสัปดาห์สัตว์ตัวหนึ่งก็เกิดปิ๊งไอเดียว่า ใช้แรงดึงดูดของโลกเข้าช่วยสี่คือหินก้อนใหญ่เนี่ยมันใหญ่โตเกินกว่าที่จะนำมาใช้งานทั้งก้อนและหินก้อนใหญ่ๆแบบเนี้ยมันก็มีอยู่เกลื่อนเหมืองสัตว์ก็เอาเชือกมาผูกหินเหล่านี้เข้าด้วยกันนะคะแล้วก็ช่วยกันทั้งบัวมา้าแกะแล้วก็สัตว์อื่นๆที่สามารถยึดเชือกได้แม้แต่พวกหมูก็ยังมาช่วยกันในยามขับขัน ลากก้อนหินใหญ่ด้วยความทุรักทุเลขึ้นมายังปากเมืองแล้วก็ผลักให้ร่วงลงไปแตกเป็นเสี่ยงที่ก้นเมืองการย้ายหินเมื่อแตกแล้วเนี่ยมันเป็นงานที่ง่ายกว่ามาลากเกวียนบรรทุกหินขึ้นมาทีละเล่มเกวียนแกะลากหินก้อนเดียวมิเรียลและเบนจามินซึ่งเป็นลาเข้าเทียมรถเข็นเด็กคันเก่าๆร่วมขนด้วย เมื่อถึงปลายฤดูร้อนก็รวบรวมหินได้มากพอก็เลยเริ่มก่อสร้างโดยมีพวกหมูเนี่ยเป็นคนคอยกำกับดูแลงานแต่ถึงกระนั้นการก่อสร้างโรงสีลมก็เป็นงานที่ถือว่าหนักมากแล้วก็ดำเนินไปอย่างช้าๆเป็นงานหนักงานเหนื่อยคือกว่าจะลากหินใหญ่ก้อนเดียวขึ้นไปบนปากเมืองแล้วก็ปล่อย ให้มันตกลงมาแตกเป็นเสียเส่ยงๆงานนี้ต้องอาศัยบ็อกเซอร์นะคะผู้ที่มีพละงกำลังมหาศาลเท่ากับสัตว์ตัวอื่นทุกตัวรวมกันคือต้องลากก้อนใหญ่ๆเนี่ยขึ้นไปข้างบนแล้วก็ผลักให้ตกลงมาบ็อกเซอร์ก็ต้องตรากตรำลากหินขึ้นตามทางลาดไปทีละน้อยอย่างยากเย็นหายใจหอบทีกีบก็จิกดิน สีข้างก็เหงื่อโซมเชียวสัตว์ทั้งหลายรู้สึกชื่นชมเจ้าบ็อกเซอร์มากเลยคือถ้าไม่มีบ็อกเซอร์นี่ทำไม่ได้บางครั้งโคเวอร์ก็เตือนบ็อกเซอร์บอกว่าอย่าหักโคมเกินไปนะแต่บ็อกเซอร์ซึ่งมีสโลแกนประจำใจว่าฉันจะทำงานหนักให้มากขึ้นก็ไม่ฟังตอนนี้บ็อกเซอร์มีคำขวัญเพิ่มขึ้นมาจำได้ใช่ไหมคะที่บอกว่านาโปรเลียนถูกเสมอเพราะฉะนั้นบ็อกเซอร์ก็ทาตายเลย บ็อกเซอร์ตกลงกับไก่รุ่นตัวหนึ่งให้คอยขันปลุกมันเร็วขึ้น45นาทีในตอนเช้าแทนที่จะเร็วขึ้นเพียงครึ่งชั่วโมงเหมือนเดิมเป็นคนที่เออเป็นเป็นมาที่แบบขยันมากๆนะคะส่วนในยามว่างบ็อกเซอร์ก็จะขึ้นไปที่เหมืองหินเพื่อรวบรวมหินที่ย่อยแล้วแล้วก็ลากลงมาอย่างบริเวณที่ก่อสร้างโรงสีลมแต่ลำพัง สัต์ประสบความสาเร็จบ้างพอสมควรค่ะแม้ว่าจะต้องทำงานหนักตลอดฤดูร้อนนั้นถึงแม้ว่าจะไม่มีอาหารการกินมากไปกว่าที่เคยได้ในสมัยของนายโจนส์แต่อย่างน้อยมันก็ไม่ได้กินน้อยลงการที่ต้องหาเลี้ยงเพียงปากท้องตนเองไม่ต้องเลี้ยงมนุษย์ที่ฟุ่มเฟือยอีก5้าคนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ที่ดีหนักหนาแล้วนะคะ และสัตว์ก็ยังมีขั้นตอนการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ประหยัดแรงงานมากกว่ามนุษย์ในหลายด้านอย่างเช่นงานกําจัดวัชพืชค่ะสัตว์สามารถทําได้อย่างละเอียดละออยอย่างที่มนุษย์ไม่อาจทําได้อีกทั้งปัจจุบันนี้สัตว์ก็ไม่ได้ลักขโมยแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่จําเป็นจะต้องมีรั้วกั้นเขตเพราะปลูกพืชผลจากเขตทุ่งหญ้าทําให้ประหยัดแรงงานบํารุงรักษารั้วพุ่มไม้แล้วก็ประตูรัว้ว ทีนี้เมื่อรู้ตัวร้อนดำเนินไปพวกสัตว์ก็เริ่มรู้สึกถึงความขาดแคลนที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนไม่ว่าจะเป็นการขาดแคลนน้ำมันพาราฟินตะปูลวดแล้วก็ขนมปังกรอบสำหรับสุนัขแล้วก็เหล็กทำเกือกมาซึ่งไม่สามารถที่จะผลิตขึ้นได้เองในฟาร์มและไหนยังจะมเมล็ดพันธุ์พืชแล้วก็ปุ๋ยวิทยาศาสตร์อีก รวมไปถึงเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆและก็สุดท้ายคือเครื่องจักรกลสำหรับติดในโรงสีของเหล่านี้จะหามาจากไหนไม่มีใครนึกออกอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นจนกระทั่งเช้าวันอาทิตย์วันหนึ่งเมื่อสัตว์มาชุมนุมกัน เพื่อรับคําสั่งนโปเลียนก็ประกาศว่าได้ตัดสินใจดำเนินนโยบายใหม่จากนี้ไป Animal Farm จะทำการค้ากับฟาร์มข้างเคียงแต่แน่นอนว่าไม่ใช่เพื่อแสวงหาผลกำไรแต่เพื่อให้ได้วัสดุต่างๆที่จำเป็นโดยเร่งด่วนเท่านั้นมันกล่าวว่า ความจำเป็นในการสร้างโรงสีลมต้องสำคัญกว่าเรื่องอื่นๆทั้งปวงก็ตกลงที่จะขายฟางลอมหนึ่งแล้วก็รวมไปถึงข้าวสาลีบางส่วนที่ผลิตได้และต่อไปถ้ายังมีความจำเป็นต้องใช้เงินมากขึ้นก็คงจะต้องขายไข่ซึ่งมีตลาดต้องการซื้ออยู่เสมอในวิลลิงดอนนโปเลียนบอกว่าแม่ไก่ควรจะยินดีเสียสละเป็นพิเศษในครั้งนี้นะเพื่อสร้างโรงสีลม ตอนนี้บรรดาสัตว์ทั้งหลายรู้สึกไม่ค่อยสบายใจอย่างบอกไม่ถูกอีกครั้ง <is> เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมีการตกลงกันไว้ว่าไม่ให้คบค้าสมาคมกับมนุษย์ห้ามทําการค้าห้ามใช้เงินไม่ใช่ข้อห้ามเหล่านี้หรอกเลยที่ตกลงกันในที่ประชุมฉลองชัยชนะครั้งแรกหลังจากขับไล่ในโจนไปแล้วะ พวกสัตว์ก็จำได้นะคะว่าเราเคยมีมติตกลงร่วมกันอย่างนี้นี่นาไอหมูรุ่นรุ่นสี่ตัวที่เคยคัดค้านครั้งที่นโปเลียนยกเลิกการประชุมส่งเสียงค้านอ่อยๆแต่ก็ต้องเงียบลงเมื่อมีเสียงหมาร้องขู่คำรามอยู่ในคอมีคนไม่เห็นด้วยแต่ก็ไม่กล้าเดี๋ยวเจอหมาในที่สุด นโปเลียนก็ชูกีบตีนหน้าขึ้นเป็นสัญญาณให้เงียบแล้วก็ประกาศบอกว่าได้จัดการเอาไว้เรียบร้อยหมดแล้วพวกสัตว์ไม่ต้องพบปากกับมนุษย์อันเป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดว่าสัตว์ไม่ปรารถนาแม้แต่น้อยนโปเลียนตั้งใจจะยอมแบกภาระนี้ไว้เองจะมีมนุษย์คนหนึ่งชื่อว่านายวิมเปอร์เป็นทนายความอาศัยอยู่ในวิลลิงดอนนี่หละ วิมเปอร์จะเป็นคนกลางในการติดต่อระหว่าง Animal f a r ร์กับโลกภายนอกโดยที่นายวิมเปอร์จะมาที่ไร่ทุกเช้าวันจันทร์เพื่อรับคำสัง่งนโปเลียนก็จบศูนทรพน์ด้วยการร้องเหมือนอย่างเคยว่า Animal f a r ร์มจงเจริญและเมื่อสัตว์ร้องเพลงสัตว์แห่งอังกฤษจบลงแล้วก็ประกาศเลิกประชุมมนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป พักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่สองของ Animal Farm ค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินมาถึงช่วงที่สองของตอนที่สี่นะคะห้องสมุดหลังใหม่กับ Animal Farm ของจ e o r g e Orwell ค่ะ ฟังวรรณกรรมอรมะตะระดับโลกที่เสียดสีเยอะอย่อัยการเมืองในช่วงเผด็จการของสหภาพโซเวียตรัสเซียนะคะในสมัยสตาลินเพราะว่าจอร์จออเวลนี่เคยไปอยู่พม่ามานานหลายปีแล้วก็ว่ากันว่าเขาก็ไม่ชอบบรรยากาศการเมืองในพม่ามากนะักเพราะว่าแน่นอนพม่าก็เป็นเผด็จการทหารที่ปกครองมายาวนานนะคะด้วยการกดขี่ข่มเหงแล้วก็ ก็ค่อนข้างจะปิดหูปิดตาประชาชนอย่างที่เรารู้กันอยู่ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงมาเป็นรัฐบาลพลเรือนแล้วก็เปิดประเทศอย่างที่เป็นอยู่นะคะจอตอเวลก็เขียนเรื่อง Animal f ฟ r ร์เป็นเชิงเสียดสีเยอะหยนเอาละคะ่ะถ้าคุณฟังพร้อมแล้วนะคะเราไปฟังกันต่อเลยว่า การปกครอง a n i m ม l f a r ร์มภายใต้นโยบายของนโปเลียนนโปเลียนที่พูดน้อยแต่ต่อยหนักเป็นอย่างไรและสโน l l ลส o w b a l หนีไปไหนและส w b a l l จะกลับมาอีกหรือไม่ติดตามได้เลยนะคะกับตอนที่สองไอตอนที่สี่ช่วงที่สองค่ะ หลังจากนั้นสคิวเลอร์ก็เร่ไปทั่วฟาร์มเพื่อที่จะเกรียกร่อมให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายคลายกังวลแล้วก็ยืนยันว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่เคยมีมติห้ามค้าขายหรือว่าห้ามใช้เงินนะอาจจะคิดกันไปเองหรือเปล่าอาจจะสืบเนื่องมาจากคำโกหกพกลมที่สโนโบอ l l เคยเผยแพร่เอาไว้ไหมสัตว์บางตัวก็รู้สึกตังหิตตังหินะ แต่สคิวเลอร์เนี่ยก็ถามยังมีชั้นเชิงบอกว่าแน่ใจหรอว่าไม่ได้ฝันไปเองคิดไปเองมีบันทึกมติเช่นที่ว่านี้ด้วยหรอเขียนเอาไว้ที่ไหนล่ะทีนี้พอไม่มีบันทึกเอาไว้จริงๆพวกสัตว์ก็เลยจำใจต้องยอมเชื่อยอมเชื่อว่าเ อ, อเราคงเข้าใจผิดไปเองมั้งเพราะว่าไม่ได้เขียนเอาไว้ไม่ได้บันทึกเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ทุกเช้าวันจันทร์นายวิมเปอร์มาที่ฟาร์มตามที่ได้ตกลงไว้เขาเป็นชายร่างเล็กไว้จรยาวแล้วก็ท่าทางเจ้าเล่ห์เป็นทนายทำธุรกิจที่กระจอกงอกง่อยแต่ก็ถือว่าเป็นคนฉลาดฉลาดก่อนที่คนอื่นๆจะรู้ว่า Animal f a r ร์มต้องการไนน้าและค่าไนน้าจะคุ้มค่า เพราะว่าไม่มีใครเคยคิดมาก่อนถึงประเด็นนี้บรรดาสัตว์ทั้งหลายเฝ้าดูชายผู้นี้ด้วยความวัดวันนะคะคือรู้สึกว่าไม่น่าไว้ใจได้แล้วก็พยายามพยายามที่จะหลีกเลี่ยงเท่าที่จะทำได้แต่ทีนี้เมื่อได้เห็นนโปเลียนออกคำสั่งแก่นายวิมเปอร์นโปเลียนซึ่งยืนสีขาออกคำสั่งแก่มนุษย์ที่ยืนสองขา บรรดาสัตว์ก็รู้สึกภูมิใจเหมือนกันรู้สึกภูมิใจแล้วก็พอจะยอมรับวิธีจัดการแบบใหม่ได้ว่าบัดเนี้ยความสัมพันธ์ระหว่างพวกมันกับมนุษย์ได้เปลี่ยนไปแล้วมันไม่เหมือนกับที่เคยเป็นและมนุษย์ก็ไม่ได้ชิงชัง Animal f ฟ r ร์มน้อยลงไปเลยตอนนี้ฟาร์มกำลังเจริญรุ่งเรือง ที่จริงยิ่งเกลียดมากกว่าเดิมด้วยซ้ำมนุษย์ทุกคนปักใจเชื่อแน่ว่าไม่เร็วก็ช้า a n i m ม l f ฟาร์มจะต้องล้มละลายและการสร้างโรงสีลมก็จะต้องล้มเหลวแน่นอนมนุษย์มักจะไปชุมนุมกันในร้านเหล้าแล้วก็วาดแผนผังให้กันดูเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าโอ้ยเอโรงสีลมมันเนี้ยหรอไม่รอดหรอกเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็ต้องพังลงมาหรือถ้าเกิดไม่พังลงมาก็คงจะใช้าการไม่ได้ ก็ดูถูกประสิทธิภาพของบัจดาสัตว์แต่อย่างไรก็ตามนะคะมนุษย์ก็รู้สึกว่าเอแต่จะว่าไปแล้วพวกสัตว์นี่ก็บริหารกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนกันนี่นาะอาการหนึ่งที่ปรากฏก็คือมนุษย์เริ่มเรียก Animal Farm ตามชื่อที่ถูกเปลี่ยนเลิกเสแสร้งเรียกว่า Manor f ร์ m เหมือนเมื่อก่อนและก็เลิกหนุนไนโจน ตอนนี้ซึ่งสิ้นหวังแล้วในการที่จะได้ฟาร์มคืนมานายโจนส์ Jones, อบพยพไปอยู่ส่วนอื่นของประเทศเรียบร้อยแล้วล้มเลิกความตั้งใจในการที่จะยึดคืนแล้วนะคะ a นม m a l f a r มตอนนี้ยังไม่มีการติดต่อกับโลกภายนอกแต่อย่างใดยกเว้นติดต่อผ่านนายหน้าก็คือนายวิมเปอร์ จากนั้นก็มีข่าวลือบอกว่านโปเลียนกำลังจะทำข้อตกลงทางการค้าอย่างแน่นอนกับนายพิวคิงตันแห่งฟาร์มฟ็อกซ์บูดหรืออาจจะทำกับนายเฟดริกแห่งฟาร์มพินส์ฟิวที่อยู่ใกล้ๆแต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าไม่ได้ตกลงกับทั้งสองรายในเวลาเดียวกันในช่วงนี้เองค่ะ จู่ๆพวกหมูก็ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านซึ่งพวกสัตว์ก็จําได้ว่าแต่แรกมีมติห้ามเอาไว้ว่าไม่ให้พวกสัตว์ไปอยู่ในบ้านแต่ส q u วเ r อรก็สามารถที่จะกล่อมจนกระทั่งสัตว์เชื่อได้อีกครั้งหนึ่งว่าไม่ได้มีไม่ได้ลงมติเอาไว้แล้วก็บอกว่าหมู ซึ่งถือเป็นมันสมองของฟาร์มควรจะมีที่สงบสงบเอาไว้ทำงานอีกทั้งการอาศัยอยู่ในเรือนหรือว่าอยู่ในตัวบ้านเนี่ยก็ยังสมศักดิ์ศรีท่านผู้นำคือระยะหลังหลังสกิ e เลอร์ชอบเรียกนะโปลเลียนว่าท่านผู้นำคือในเมื่อเป็นผู้นำก็ไม่ควรที่จะอาศัยอยู่ในคอกเล้าธรรมดาธรรมดามันไม่สมสศักดิ์ศรีและสัตว์ก็เริ่มกังวลใจ เมื่อได้ยินว่าหมูไม่เพียงกินอาหารในครัวแล้วก็ใช้ห้องนั่งเล่นเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจหมูยังนอนเตียงอีกด้วยบ็อกเซอร์กล่าวเหมือนเคยว่านโปเลียนถูกเสมอแต่โคเวอร์คิดว่าตัวเองจำได้แม่นยำว่าห้ามสัตว์นอนเตียงมันก็เลยเดินไปท้ายโรงนาแล้วก็พยายามอ่านบัญญัติเจ็ดประการที่จะรึกเอาไว้ตรงนั้นแต่เนื่องจากว่ามันอ่านเป็นแต่เพียงตัวอักษรเป็นตัวตัว แต่ว่าสะกดรวมคำไม่เป็นก็เลยไปตามมิเรียวมาช่วยโคเวอร์ Cover ก็บอกว่ามิเรียวจา๋าเธอช่วยอ่านบัญญัติข้อที่สีให้ฟังหน่อยเถิดว่ามีการพูดถึงการห้ามนอนเตียงหรือเปล่ามิเรียวค่อยๆ อ, อ่านด้วยความยากเย็นก่อนจะบอกว่าเขียนว่าห้ามสัตว์นอนเตียงที่มีผ้าปูน่าประหลาดจริงๆ โคเวอร์จำไม่ได้เลยว่าบัญยัติข้อสมีพูดถึงเรื่องผ้าปูแต่เมื่อมีเขียนเอาไว้บนผนงังมันก็คงจะบรญยัติเอาไว้เช่นนั้นมัง้งบังเอิญสกิวเลอร์ผ่านมาพอดีแล้วก็มีสุนัขสองสาตัวตามอารักขามาด้วยมันก็เลยมาอธิบายให้เข้าใจตามมุมมองอันเหมาะสมว่านี่สายคงจะเคยได้ยินมาแล้วสินะว่าพวกหมูอย่างเราตอนเนี้ย นอนเตียงในเรือนใช่หรือเปล่าก็ทำไมจะไม่นอนละ่ะท่านคงไม่คิดปลอกนะว่าเคยมีข้อห้ามเรื่องนอนเตียงเตียงหมายความถึงเพียงสถานที่สำหรับใช้นอนเท่านั้นเองถ้าจะว่ากันแล้วฟางกองหนึ่งในค อ, อกมันก็คือเตียงนั่นแหละข้อห้ามก็คือเรื่องผ้าปูเตียงซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์เราถลกผ้าปูเตียงในเรือนออกไปหมดแล้วเราเพียงแต่นอนแทกในผ้าห่ม เตียงพวกนี้ก็นอนสบายดีสะด้วยสิแต่ก็ไม่ได้สบายมากไปกว่าเกินที่จําเป็นสําหรับพวกเราหรอกจะบอกให้เพราะว่างานที่เราทนะําน่ะมันเป็นงานที่ต้องใช้สมองนะท่านคงไม่อยากให้เราพักผ่อนไม่เพียงพอไม่ใช่หรือสหายท่านคงไม่อยากให้เราเหนื่อยเกินกว่าจะปฏิบัติหน้าที่ของเราหรอกนะพวกท่านคงไม่มีตัวใดอยากจะเห็นนายโจนส์กลับคืนมาเป็นแน่ใช่ไหมล่ะ พอพูดประเด็นนี้บรรดาสัตว์ก็พากันยืนยันกับสูคิวเลอร์ทันทีว่าไม่เอาไม่ยากไม่อยากให้ในโจนส์กลับมาแล้วก็ไม่มีการพูดถึงเรื่องสุกรนอนเตียงในเรือนอีกต่อไปอีกไม่กี่วันต่อมาค่ะมีการประกาศว่าจากนี้ไปหมูจะนอนตื่นสายกว่าสัตว์อื่นๆหนึ่งชั่วโมงในตอนเช้าแน่นอนนะคะ ไม่มีสัตว์ตัวใดบนเรื่องนี้เช่นกัน ถึงฤดูใบไม้ร่วงสัตว์ทั้งหลายเหนื่อยล้าแต่พวกมันก็มีความสุขแม้ว่ามันจะต้องทำงานหนักทั้งปีเมื่อขายฟางแล้วก็ข้าวสาลีไปบางส่วนก็เหลืออาหารที่เก็บเอาไว้กินในฤดูหนาวไม่มากนะักแต่โรงสีก็สามารถชดเชยได้ทุกอย่างตอนนี้โรงสีสร้างเสร็จไปครึ่งหนึ่งหลังจากเก็บเกี่ยว มีช่วงอากาศแห้งแล้วก็แจ่มใสสัตว์ก็ทำงานหนักกว่าเดิมเพราะคิดว่าการรีบขนก้อนหินนี้คุ้มค่าหากสามารถใช้ก่อผนังโรงสีให้สูงขึ้นได้อีกสักฟุตหนึ่งบ็อกเซอร์ถึงกับออกมาทำงานตอนกลางคืนอีกชั่วโมงหรือว่าสองชั่วโมงคือทำงานเพิ่มทำงานกลางแสงจันทร์ของฤดูเก็บเกี่ยวตามลาพัง บรรดาพวกสัตว์ก็มักจะใช้เวลาว่างเดินชมรงสีที่สร้างเสร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งแล้วก็พากันชื่นชมความแข็งแรงแล้วก็แนวตรงแน่วของผนังอัศจรรย์ใจภูมิใจที่พวกตนก็สามารถสร้าง ส, างสิ่งใหญ่โตเช่นนี้ได้มีตลาเท่าเบนจามินเท่านั้นที่ไม่กระตือรือร้อนไปกับใครในเรื่องรงสีลม แม้ว่าเบนจามินจะไม่ได้พูดอะไรมากไปกว่าถ้อยคำปริศนาเหมือนเช่นเคยว่าลาอายุยืนคือชอบพูดอะไรแปลกแปลกพอถึงเดือนธันวาคมการก่อสร้างก็ต้องชะงักลงเพราะว่าสภาพอากาศชื้นแฉบเกินกว่าจะผสมซีเมนต์และพอถึงคืนที่มีพายุลูกเห็บตกหนัก จนโรงเรือนในฟา ร, ร์มโยครอนกระเบื้องมุงหลังคาโรงนาหลายแผ่นโดนลมพายุพัดหลุดปลิวไปแม่ไก่ตื่นขึ้นมาร้องด้วยความตกใจต่างฝันตรงกันว่าได้ยินเสียงปืนดังอยู่ไกลๆพอตอนเช้าพวกสัตว์ออกมาจากคอกแล้วก็พบว่าเสาธงโดนพายุพัดโคน่น แล้วก็มีต้นไม้ที่ชายสวนก็โดนพายุพัดลม้มจนรากลอยเหมือนหัวผักกาดบรดิดจ์ที่ถูกดึงสัตว์เพิ่งสังเกตเห็นเพียงเท่านี้ก็มีเสียงร้องลั่นอย่างสิ้นหวังเมื่อสายตาของพวกมันเห็นภาพที่น่าตระนกภาพที่โรงสีลมพังทลายไปหมดสิ้นบรรดาพวกสัตว์ก็ตกใจมากพากันกรูไปยังจุดที่สร้างโรงสีลม นโปเลียนซึ่งปกติไม่ค่อยจะเคลื่อนไหวเร็วไปกว่าการเดินนะคะตอนนี้วิ่งรี่นําสัตว์ทั้งปวงนี่ไงผลงานจากความลำบากยากเย็นของสัตว์ทั้งหลายราบเรียบเหลือต่ฐานก้อนหินที่อุสาย่อยอุสาขนกันมาด้วยความเหนื่อยยากกระจัดกระจายไปทั่วตอนแรกๆพวกสัตว์ก็พากันอึง้งพูดไม่ออกได้แต่ยืนตาปริบปริบ มองกองหินที่หล่นทลายพังลงมานาโปเลียนก็เดินไปเดินมาเงียบๆบางครั้งก็สูดดมกลิ่นที่พื้นดินหางชี้เดกวัดแกงไปมารุนแรงเป็นสัญญาณประจําทัวว่านาโปเลียนกําลังใช้ความคิดอย่างหนักและทันใดนั้นนโปเลียนก็หยุดชะงักราวกับตัดสินใจได้ว่าสหาย ท่านรู้หรือไม่ว่าใครทำเช่นนี้ท่านรู้หรือไม่ว่าใครลอบเข้ามาพังโรงสีของเราตอนกลางคืนเกิดเจ้าสโนบอลนะสิเจ้าสโนบอลนั่นแหละตัวการมันอาฆาตมันคิดจะขัดขวางแผนการของพวกเราแล้วก็คิดจะแก้แค้นที่ถูกขับไล่ไปเจ้าสัตว์ทรยศนี้ก็เลยดอดเข้ามาตอนกลางคืนและทำลายผลงานเกือบหนึ่งปีของพวกเรา ข อ, ขอประกาศหน้าที่นี้ว่าเจ้าสโนบอลมีโทษถึงประหารชีวิตวีรสัตชั้นที่สองและแอปเปิลครึ่งถังจะเป็นของสัตว์ตัวใดก็ตามที่จับเจ้าสโนบอลมาลงโทษได้และแอปเปิลเต็มหนึ่งถังสำหรับสัตว์ตัวใดที่จับมันได้ทั้งเป็นมีการ ประกาศประกาศจับวีรสัตย์นี่ก็คือการคล้ายๆกับการตบรางวัลนะบรรดาสายก็ตกตะลึงเมื่อได้รู้ว่าแม้แต่สโนบอลก็ยังสามารถทำอะไรเช่นนี้มีเสียงร้องด้วยความขุ่นเคืองแล้วก็พากาันคิดหาทางที่จะจับไอ้เจ้าสโนบอลเนี่ยเอามาขึ้นรางวัลแทบจะในทันทีค่ะ มีผู้พบรอยกลีบเท้าของสุกรนะในพงหญา้าถัดจากโคกไปเล็กน้อยมีรอยตีนปรากฏให้เห็นเป็นระยะทางเพียงไม่กี่หลาดูเหมือนจะมุ่งไปยังช่องโบที่รั้วพุ่มไม้นโปเลียนสูดดมกลิ่นลึกๆและก็ประกาศว่านี่เลยใช่เลยเนี่ยเป็นรอยของเจ้าสโนบอลคิดว่าสโนบอลน่าจะมาจากฟาร์มฟอกบูดแน่อย่ามัวรอช้าเลยสหาย เรายังมีงานต้องทำเช้าวันนี้เราจะเริ่มสร้างโรงสีลมใหม่เราจะสร้างไปตลอดไปด้วยดูหนาวไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกเราจะสั่งสอนเจ้าสัตว์ทรยศชั่วช้านี้ว่ามันไม่สามารถจะทำลายงานของเราได้ง่ายๆจงจำเอาไวเ้เถิดว่าเราจะไม่เปลี่ยนแผนเราต้องทำจนสำเร็จตามกำหนดลงมือกันเถิดโรงสีลมจงเจริญแอนิมอลฟาร์มจงเจริญ ฤดูหนาวปีนั้นอากาศหนาวเหน็บเหลือเกินมีทั้งพายุฝนน้ำแข็งแล้วก็หิมะแล้วก็มีน้ำค้างแข็งสัตว์ทั้งหลายพากันอดทนตรากตรำสร้างโรงสีลมขึ้นมาใหม่เท่าที่จะทำได้ในขณะที่พวกมนุษย์ ก็แกล้งทําเป็นไม่เชื่อว่าสโนบอลทาลายโรงสีลมแต่มนุษย์พากันพูดว่าโรงสีพังลงมาเองเพราะว่ากําแพงเนี่ยก่อบางเกินไปสัตว์ทั้งหลายรู้ดีว่าการพังลงมาครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพราะความผิดพลาดในการก่อสร้างตามที่มนุษย์เมาส์กันแต่พวกมันก็ตัดสินใจว่า คราวนี้จะสร้างผนังโรงสีให้หนาขึ้น3ฟุตแทนที่จะหนาเพียง18นิ้วเหมือนแต่ก่อนซึ่งนั่นหมายความว่าจะต้องรวบรวมหินให้ได้มากกว่าเดิมแต่ตอนนี้ทำงานลำบากมากเพราะว่ามีหิมะมาปกคลุมท่วมไปหมดเลยต่อมาเมื่ออากาศแห้งมีน้ำค้างแข็งจึงพอทำงานได้บ้างแต่ก็ถือว่าเป็นงานที่หนักหนาสาหัสจนสัตว์ไม่อาจรู้สึก ทำงานด้วยความหวังด้วยความสุขเหมือนอย่างเคยพวกมันมักจะหนาวแล้วก็หิวมีแต่บ็อกเซอร์แล้วก็โคเวอร์เท่านั้นที่ไม่เคยท้อแท้ส่วนส q ิวลเลอร์ก็กล่าวสุนทรพจน์อันวิเศษเกี่ยวกับความสุขในการบริการแล้วก็ศักดิ์ศรีแห่งแรงงานแต่พะละกกำลังของบ็อกเซอร์และถ้อยคำว่าฉันจะทำงานให้หนักยิ่งขึ้นอันนี้กลับเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างกาลังใจให้พวกสัตว์ ได้ดีกว่าคำพูดของเจ้าสแควเลอร์พราะถึงเดือนมกราคมก็เริ่มขาดแคลนอาหารมีการปันส่วนข้าวสาลีน้อยลงแล้วก็มีประกาศว่าจะปันส่วนมันฝรั่งเพื่อชดเชยแต่แล้วก็พบว่ามันฝรั่งที่เก็บเอาไว้ส่วนใหญ่โดนน้ำค้างแข็งเพราะว่าคลุมฟางเอาไว้ไม่หนาพอมันฝรั่งก็เลยสีเปลี่ยนเป็นสีคล้ำก็คือเสีย เหลือกินได้เพียงเล็กน้อยบางครั้งพวกสัตว์จึงไม่มีอะไรกินนอกจากฟางแล้วก็หัวแมนเจอ์เป็นเวลาหลายวันดูเหมือนว่าพวกมันกำลังจ ะ, ะเผชิญกับการอดตายซะแล้วแต่ข้อเท็จจริงเหล่านี้จะต้องปกปิดไม่ให้โลกภายนอกได้รับรู้เพราะว่าเมื่อโรงสีพังแค่นี้มนุษย์ก็ดีอกดีใจแล้วก็มีการปล่อยข่าวว่า เป็นความผิดพลาดของบรรดาสัตว์ตอนนี้ก็มีการปล่อยข่าวอีกแล้วว่าสัตว์ใน a n i m ม l f ฟ r ร์มกำลังจะพากันล้มตายเพราะความหิวโหยและก็โรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ลือกันอีกว่าข้างในมีการทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันเองไม่หยุดหย่อนแถมยังหันมากินกันเองแล้วก็กินลูกสัตว์นาโปเลียนตระหนักดีถึงผลเสียที่อาจจะตามมา หากพวกมนุษย์ล่วงรู้ข้อเท็จจริงเรื่องสถานการณ์อาหารมันจึงตัดสินใจใช้นายวิมเปอร์ไปเผยแพร่ความประทับใจในทางตรงกันข้ามจนถึงตอนนั้นสัตว์ทั้งหลายไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องกับนายวิมเปอร์เวลาที่เขามาเยือนทุกสัปดาห์แต่ตอนนี้สัตว์ที่ถูกเลือกสรรแล้วบางตัวส่วนใหญ่ก็เป็นพวกแกะได้รับคาสั่งให้ไปพูดลอยลอย ให้ในวิมเปอร์ได้ยินว่าเนี่ยมีการปันส่วนอาหารเพิ่มคือเหมือนกับจะสร้างข่าวเลยแล้วก็นโปเลียนก็สั่งให้เอาถังเปล่าในโรงเก็บเครื่องมือมาใส่ทรายจนเกือบเต็มแล้วก็เอามาเล็ดข้าวแล้วก็อาหารปนที่เหลืออยู่เนี่ยมาโรยโปดหน้าเอาไว้แล้วก็เชิญนายวิมเปอร์ให้เดินผ่านโรงเก็บเครื่องมือ เพื่อให้นายวิมเปอร์เนี่ยมีโอกาสได้เหลือบเห็นทังดังกล่าวจะได้เอาไปหลือข้างนอกว่าการกินอยู่ในที่นี้เนี่ยอุดมสมบูรณ์นายวิมเปอร์โดนตบตาจิงยังคงรายงานโลกภายนอกต่อไปว่า Animal f a r รมยังคงอยู่ดีมีสุขไม่ได้ขาดแคลนอาหารอย่างที่เข้าใจ ชีวิตใน Animal f a r ร์มจะดำเนินต่อไปอย่างไรนะคะพวกมันก็ลาบากกันอยู่เหมือนกันและพวกมันจะแก้ปัญหาอย่างไรต้องติดตาม <My job S 1> ตอนต่อไปตอนที่5 a n แอนิมอลฟาร์มจากวรรณกรรมอรมตะระดับโลกของ George Orwell วันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่แล้วนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน